ตานาคตะวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลจากขายาตนะมูลกะในรอยสี่อนุจากขายาตนะของบุคคลใดไม่เคยเกิดโสตายาตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปาชิมภวิกละบุคคลและบุคคลเหล่าใดจะอุบัติในรูปภูมิและปรินิพานจากขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิด แต่โสตายตนะไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้จากขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและโสตายยตนะก็จักเกิดปฏิโสตายยตนะของบุคคลใดจักเกิดจากขายยตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขายยตนะของบุคคลใดเคยเกิดคานายยตนะของบุคคลนั้นก็จักเกิดใช่ไหมวิ ปาชิมภวิกะบุคคลและบุคคลเหล่าใดจากอุบัติในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและปรินิพานจากขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่คานายยตนะไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้จากขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและคานายยตนะก็จะเกิดปฏิคานายยตนะของบุคคลใดจกเกิดจากขายยตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ อนุจากคายตนะของบุคคลใดเคยเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมพรวิกะบุคคลและบุคคลเหล่าใด จ, จกอุบัติในรูปภูมิและปรินิพานจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้จากคายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและรูปายตนะก็จกเกิดปฏิ รูปรายตนะของบุคคลใดจกเกิดจากขายายตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจากขายตาตนะของบุคคลใดเคยเกิดมานายตนะธรรมายตนะของบุคคล น, นั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภระวิคะบุคคลจากขายตาตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จากเกิดบุคคล น, นอกนี้จากขายายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิด และธรรมรายตนะก็จะเกิดปฏิธรรมรายตนะของบุคคลใดจกเกิดจากขายตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่จากขายยตนะมูลกะในจบคลานายตนะมูลกะในรอ้อหอนุคลายนายตนะของบุคคลใดเคยเกิดรูปลายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิ ปาชิมพวิกะบุคคลและบุคคลเหล่าใดจกอุบัติในรูปภูมิและปรินิพ า, านคาในยตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่รูปลายตนะไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้คาในายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและรูปลายตนะก็จะเกิดปฏิรูปลายตนะของบุคคลใดจกเกิดคาในายตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิ cing. ใช่อนุ คานายตนะของบุคลคลใดเคยเกิดมานายตนะธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปาชิมภวิกคะบุคคลคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้คานา ย, ต, าายตนะตาาตนของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและธรรมายตนะก็จกเกิดปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดจกเกิด คานายตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ร้อยหอนุรูปลายตนะของบุคคลใดเคยเกิดมานายตนะธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จกเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกะบุคคลรูปลายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้รูปลายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิด และธรรมายตนะก็จะเกิดปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดจะเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ร้อยเจตอนุมนายตนะของบุคคลใดเคยเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมพวิตริบุคคลมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักเกิด บุคคลนอกนี้มานายจตนะของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและธรรมายจตนะก็จะเกิดปฏิธรรมายจตนะของบุคคลใดจะเกิดมานายจตนะของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุโลมะโอกาสจากขายจตนาโมลกะในร้อยอนุจากขายต 108, จาายตนะในภูมิใดไม่เคยเกิดละถึงอนุโลมปุคะโลกาต จากคายยตนะมูลกะในร้อเกอนุจากคายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดโสตายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชิมภวิกะบุคคลในปัญจโวการภูมิจากคายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่โสตายยตนะไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจะวการภูมิ จักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูม <eating> ินั้นเคยเกิดและโสตายยตนะก็จะเกิดปฏิโสตายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดจักขายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุจักขายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดคานายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกะบุคคลในกามาวจรภูมิ และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิจากค า, ายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกาโมวจรภูมิจา ก, าจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและคานายตนะก็จะเกิดปติคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดละถึงวิใช่อนุ จักขายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดรูปายัตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิประชิมภวิกริบุคคลในปัญจโวการภูมิจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่รูปายัตนะไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและรูปายัตนะก็จักเกิดปฏิ รูปรายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักเกิดจากขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตาภูมิรูปรายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดแต่จากขายตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิรูปรายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดและจากขายตนะก็เคยเกิดอนุ จากคายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิสตาบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมนายตนะก็จักเกิด ปฏิมนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดจากขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่จากขายตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวกรภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและจากขายตนะก็เคยเกิดอนุ จากขายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดทำมาญตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชิมภวิกะบุคคลในปัญจโวการภูมิจากขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ทำมาญตนะไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบาทอยู่ในปัญจโวการภูมิจากขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและทำมายาตนะก็จะเกิดปฏิ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 จากคายตนะมูลกะในจบคานายตนะมูลกะในร้อยสอนุคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคเกิ ด, กดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปทิมพวิสริบุคคลในกามวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่จกเกิด น<า>นบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกาเมาวาจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและรูปายตนะก็จะเกิดปฏิรูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดายจะเกิดค า, านายตนะของบุคคลนั้ น, นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่ค า, านายตนะไม่เคยเกิด บุคคลผู้อุบัติอยู่ในกางมวจรภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานายตนะก็เคยเกิดอนุคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดมนายตนะธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปจชิมภวิกรบุคคลในกางมวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิด แต่ธรรมายตนะไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในกามอวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและธรรมายตนะก็จะเกิดปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ ธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั Nay, ้นในภูม hmm. ah ินั้นจะเกิดแต่คานายตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในกลามาวจรภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและคานายตนะก็เคยเกิดคานายตนะมูลกระในจบรูปายตนะมูลกะในร้อยสิบเอ็ดอนุรูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิด มานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชิมพวิกะบุคคลในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบติอยู่ในอสัญญสัตภูมิรูปลายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่มานายตนะไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบติอยู่ในปัญจโวการภูมิรูปลายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและมานายตนะก็จะเกิดปฏิ มานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิมานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่รูปายตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและรูปายตนะก็เคยเกิดอุ รูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัชิมภวิกรบุคคลในปัญจโวการภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวกรภูมิและอสัญญาสัตตภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดและธรรมายตนะก็จะเกิด ปฏิทำมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดจักเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดแต่รูปายตนะไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจววกาฬภูมิและอสัญญาสัตตภูมิทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักเกิดและรูปายตนะก็เคยเกิด รูปายตนะมูลกะในจบมานายตนะมูลกะในร้อสองอนุมานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จัดเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมพวิกะบุคคลมานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่ธรรมายตนะไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจตุโวการภูมิ และปัญจโวกาลภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคเกิดและธรรมายตนะก็จะเกิดปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดายจะเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่มนายตนะไม่เคยเกิด บุคคลผู้อุบัติอยู่ในจัตุวการภูมิและปัญจกวการภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและมนายตนะก็เคยเกิดมนายตนะมูลกะในจบปัจเจเนกะบุคคลจักขายตนะมูลกะในร้อยสิบสาอนุจักขายตนะของบุคคลใดไม่เคยเกิดโสตายยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จักเกิดมีไหมวิไม่มี ปติโสตายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิดจากขายาตนะของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดอนุจากขายาตนะของบุคคลใดไม่เคยเกิดคานายตนะรูปายตนะมานายตนะธรรมายตนะของบุคคลนั้นก็จะเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดไม่ใช่จะเกิด จักขายาตนะของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดร้อสิสอนุคานายาตนะรูปายาตนะมานายาตนะของบุคคลใดไม่เคยเกิดธรรมายาตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิธรรมายาตนะของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิดมานายาตนะของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิด ปัจเจนียกะโอกาสจะขายยตนาโมลกะในร้อยสิบห้าอนุจะขายยตนะในภูมิใดไม่เคยเกิดละถึงปัจเนียกะบุขโอกาสจะขายยตนาโมลกะในร้อสอนุจะขายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดโสตายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ โสตายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดจกขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมพระวิกรบุคคลในปัญจโวักรภูมิโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่จกขายตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบายอยู่ในสุทธาวาสภูมิอสัญญสัตตภูมิและอรูปภูมิโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิด แต่จักขายยตนะก็ไม่เคยเกิดอนุจักขายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม um ่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปติคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดจักขายยตนะของบุคคลนั้นในภูม well ินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิปฏิทิมพรวิกรบุคคลในการมวจรภูมิ และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่จักขายตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิอาศันยสัตตภูมิและอรูปภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและจักขายตนะก็ไม่เคยเกิดอนุจักขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด รูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิและอรูปภูมิจักหายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและรูปายตนะก็ไม่ใช่จักเกิดปติ รูปยายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดจากขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมพวิกรบุคคลในปัญจโวการภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่จากขายต no นะไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิและอรูปภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิด และจักขายาตนะก็ไม่เคยเกิดอนุจักขายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดมนายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิจักขายาตนะของบุคคลเหล่า น, น, นั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มนายาตนะไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิ aning. ปัดฉิมภวิกระบุคคลในอรูปภูมิ และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิจักขายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมนายตนะก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิมนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดจักขายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิปชิมภวิกะ บ, บุคคลในปัญจโวการภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิด แต่จกักรขายตระไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุดทาวาสภูมิปัดฉิมภวิกลาบุคคลในรูปภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิมานายตระของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและจักขายตระก็ไม่เคยเกิดอนุจกักรขายตระของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดธรรมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอาจัย์ยศตภูมิและรูปภูมิจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ธรรมายัตนะไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิและปัจฉิมพวิกะบุคคลในรูปภูมิจักขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและธรรมายัตนะก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิธรรมายัตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิด จากขายยตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมพวิกระบุคคลในปัญจโวการภูมิทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่จากขายยตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิและปัจฉิมภวิกระบุคคลในรูปภูมิทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและจากขายยตนะก็ไม่เค ย, ยเกิด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 ประทิมภวิตระบุคคลในรูป Emperor, วาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและรูปายตนะก็ไม่ใช่จกเกิดปฏิรูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิประทิมภวิตระบุคคลในกรรมวจรภูมิ รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่คานายตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดประชิมพวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและคานายตนะก็ไม่เคยเกิดอนุคานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่จักไม่เกิดประชิมภวิตรบุคคลในรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมานายตนะก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิ มานายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมพระเวกะบุคคลในกาลมาวจรภูมิมานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่คานายตนะมิใช่ไม่เคยเกิดปัจฉิมภวิกะบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญัตตภูมิ มนายจตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและคานายจตนะก็ไม่เคยเกิดอนุคานายจตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดธรรมยจตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคานายจตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ธรรมยจตนะไม่ใช่จักไม่เกิด ปจิมภรวิกรบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิคานายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จกเกิดปติธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดคานายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกรบุคคลในกลามาวจรภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิด แต่คานายตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดประชิมพวิกริบุคคลในรูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิทำนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและคานายตนะก็ไม่เคยเกิดคานายตนะมูลกะในจบรูปายตนะมูลกะในร้อยสิบปดอนุรูปายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิด มนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในรูปภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิและปชิมมภวิกะบุคคลในรูปภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและมนายตนะก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิ มนยายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดรูปายาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกระบุคคลในปัญจวักรภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาตตภูมิมณายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่รูปายาตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิและปัจฉิมภวิกระบุคคลในรูปภูมิ มานายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและรูปายาตนะก็ไม่เคยเกิดอนุรูปายาตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดธรรมยาตนะของบุคคลนั้นในภูมินั s. <S ้นก็ไม่ใช่จ no ักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิรูปายาตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ธรรมยาตนะไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทตาวาสภูมิ และปัจฉิมภวิกรบุคคลในรูปภูมิรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและธรรมายตนะก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิธรรมายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดรูปายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกรบุคคลในปัญจโวการภูมิธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่รูปายตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิด บุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุดท่าวาสภูมิและปัดฉิมพวิกระบุคคลในรูปภูมิทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและรูปรายตนะก็ไม่เคยเสิดรูปราย ต, ยตนะมูลกะในจบมนายตนะมูลกะในร้อยสิบเกอนุมนายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดทำมายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหม วิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่ธรรมยตนะไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิมนายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและธรรมยตนะก็ไม่ใช่จักเกิดปาติธรรมยตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดมนายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิ ประชิมพวิกรบุคคลทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดแต่มนายตนะไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติย์อยู่ในสุทาวาสภูมิทำมายตนะของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จะเกิดและมะนายตนะก็ไม่เคยเกิดมนายตนะมูลกะในจบอุ ป, ปาทวาระจบ วาระสนิโรธวาระหนึ่งปัจจุบันนวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันอนุโลมบุคคลจากขายาจนะมูลกะในร้อ ย, ยี่สิบอนุจากขายาจนะของบุคคลใดกําลังดับโสตายาจนะของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจกักขุเกิดได้โสตะเกิดไม่ได้กําลังจุติ จักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่โสตายตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีจักผูและโสตะเกิดได้กำลังจุติจักขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและโสตายตนะก็กำลังดับปาฏปิโสตายตนะของบุคคลใดกำลังดับจักขายยตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมว <KAR> ิบุคคลผู้มีโสตะเกิดได้จักผูเกิดไม่ได้กำลังจุติ โสตายตนะของบุคคลเหล่านั ller, uh ้นกำลังดับแต่จักขายายตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีโสตัยและจักขู่เกิดได้กำลังจุติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและจักขายายตนะก็กำลังดับอนุจักขายาตนะของบุคคลใดกำลังดับคานายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักขูเกิดได้คานะเกิดไม่ได้กำลังจุติ จักขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่คานายตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีจักขูและคานะเกิดได้กำลังจุติจักขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและคานายตนะก็กำลังดับปาฏิคานายตนะของบุคคลใดกำลังดับจักขายาตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้มีคานะเกิดได้จักขู่เกิดไม่ได้กำลังจุติ คาณาญตระของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่จักรคายตระไม่ใช่กาลังดับบุคคลผู้มีคานะและจักขู่เกิดได้กาลังจุติคานาญตระของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและจักขคายตนะก็กำลังดับอนุจักรคายตระของบุคคลใดกำลังดับรูปายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิใช่ปฏิรูปายตนะของบุคคลใดกำลังดับ จักขายยตนะของบุคคลนั er ้นก right? ็กำลังด <alan> ับใช่ไหมวิบุคคลผู้มีรูปเกิดได้จักขูเกิดไม่ได้กำลังจุติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับได้จักขายยตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีจักขู่เกิดได้กำลังจุติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและจักขายยตนะก็กำลังดับอนุจักขายยตนะของบุคคลใดกำลังดับ มนายทะนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิใช่ปฏิมนายทะนะของบุคคลใดกำลังดับจกขายทะนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจิตเกิดได้จะขู่เกิดไม่ได้กำลังจุติมนายทะนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่จกขายทะนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีจักขูเกิดได้กำลังจุติมนายทะนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับ และจักขายัตนะก็กำลังดับอนุจักขายัตนะของบุคคลใดกำลังดับธรรมยัตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิใช่ปฏิธรรมยัตนะของบุคคลใดกำลังดับจักขายัตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักขู่เกิดไม่ได้กำลังจุติธรรมยัตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่จักขายัตนะไม่ใช่กาลังดับ บุคคลผู้มีจักรผูกเกิดได้กำลังจุติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและจักขายาตนะก็กำลังดับจักขายาตนะมูลกระในจบคานายตนะมูลกะในรอยยี่สิบเอ็ดอนุคานา ย, ต น, นนานายตนะของบุคคลใดกำลังดับรูปลายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิใช่ปฏิรูปลายตนะของบุคคลใดกำลังดับ พานายจตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้มีรูปเกิดได้พานะเกิดไม่ได้กำลังจุติรูปายจตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่พานายจตนะไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีพานะเกิดได้กำลังจุติรูปายจตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและพานายจตนะก็กำลังดับอนุพานายจตนะของบุคคลใดกำลังดับ มนายณะนของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิใช่ปฏิมนายทะน้ของบุคคลใดกำลังดับคานายทน้าของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจิตเกิดได้คานะเกิดไม่ได้กำลังจุติมนายทะน้ของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่คานายทะน้ไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังจุติมนายทนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับ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 บุคคลผู้มีคานะเกิดได้กำลังจุติธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและคานายตนะก็กำลังดับคานายตนะมูลกะในจบรูปายตนะมูลกะในร้อยี่สิบสองอนุรูปายตนะของบุคคลใดกำลังดับมนายตนะของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังจุติ รูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่มานายัตนะไม่ใช่กำลังดับบคุคคลผู้มีรูปและจิตเกิดได้กำลังจุติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและมานายัตนะก็กำลังดับปฏิมานายัตนะของบุคคลใดกำลังดับรูปายตนะของบุคลบบคล น, นั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กำลังจุติมานายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับ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 และมนายตนะก็กําลังดับมนายตนะมูลกะในจบอนุโลมะโอกาสจากขายยตนะมูลกะในร้อยี่สิบสอนุจากขายยตนะในภูมิใดกําลังดับและถึงอน <geon> ุโลมะปุกคะโอกาสจากขายยตนะมูลกะในร้อยี่สิบ right. ห mm. ้าอนุจากขายยตนะของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับ โสตายตนะของบุคคล น, นั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมคานายตนะรูปายตนะมานายตนะธรรมายตนะของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับใช่ไหมคำที่ท่านกล่าวว่าของบุคคลใดในภูมิใดซึ่งเหมือนกันพึงขยายให้พิสดารปัจจญิกะบุคคลจากขายาตนะมูลกะในร้อยี่สิบหอนุ จากขายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับโสตายัตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักผุเกิดไม่ได้โสตะเกิดได้กำลังจุติจากขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่โสตายัตนะไม่ใช่ไม่กำลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีจักผุและโสตะเกิดไม่ได้กำลังจุติจากขายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับ และโสตายตนะก็ไม่ใช่กําลังดับปฏิโสตายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับจากขายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้มีโสตะเกิดไม่ได้จากขุเกิดได้กําลังจุติโสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่จากขายตนะไม่ใช Is ่ไม่กําลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติและบุคคลผู้มีโสตและจากขุเกิดไม่ได้กําลังจุติ โสตายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและจักขายตนะก็ไม่ใช่กําลังดับอนุจักรขายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับคาณาตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้คาณะเกิดได้กําลังจุติจ um ักรขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่คาณาตนะไม่ใช่ไม่กําลังดับ บุคคลทั people, Again, ้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีจักผููและคานะเกิดไม่ได้กำลังจุติจักคายตระณะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและคานายตระณะก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิคานายตะณะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับจักขายตระณของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กาลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้มีคานะเกิดไม่ได้จักรเกิดได้กำลังจุติคานายตะณะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กาลังดับ แต่จักขายัตณะไม่ใช่ไม่กำลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีคานะและจักผุเกิดไม่ได้กำลังจุติคาใายัตณะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและจักขายัตณะก็ไม่ใช่กำลังดับอนุจักขายัตณะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับรูปายตณะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักผุเกิดไม่ได้รูปเกิดได้กาลังจุติ จากขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่รูปายาตนะไม่ใช่เมื่อกาลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติและบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กําลังจุติจากขายาตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและรูปายาตนะก็ไม่ใช่กําลังดับปาฏิรูปายาตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับจากขายาตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิใช่อนุ จากขายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับมนัยยตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจักขุเกิดไม่ได้จิตเกิดได้กำลังจุติจากขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับแต่มนยยตนะไม่ใช่ไม่กำลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติและบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังจุติจากขายยตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับ และมานายตนะก็ไม่ใช่กำลังดับปฏิมานายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับจากขายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิใช่อนุจากคายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับทำมายตนะของบุคบคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับ <S <S ใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจกักขุเกิดไม่ได้กำลังจุติจากขายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กาลังดับ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 คานายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิใช่คานายตนะมูลกะในจบรูปายตนะมูลกะในี่สปอนุรูปายตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับมานายตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กำลังจุติรูปายตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับ แต่มานายัตนะไม่ใช่ไม่กำลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กำลังอุบัติรูปายทะนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กำลังดับและมนายัตนะก็ไม่ใช่กำลังดับปตฏิมานายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับรูปายัตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กำลังจุติมานายทน้าของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กาลังดับ รูปลายัตนะไม่ใช่ไม่กําลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติมนายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและรูปลายัตนะก็ไม่ใช่กําลังดับอนุรูปลายัตนะของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับธรรมายัตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้มีรูปเกิดไม่ได้กําลังจุติรูปลายัตนะของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับ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 อนุมนายนิย t a n ของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับธรรมย t a n t ของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้มีจิตเกิดไม่ได้กําลังจุติมนายนิย t a n ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับแต่ธรรมย t a n t r มิใช่ไม่กําลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติมนายนิย t a n t ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและธรรมย t a n t ก็ไม่ใช่กําลังดับปฏิ ถ้ามายาตนะของบุคคลใดไม่ใช่กำลังดับมนายาตนะของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมวิใช่ปัจเนิกะโอกาสจะขายาตนะมูลกะในร้อยสามสิบอนุจะขายาตนะเนภูมิใดไม่ใช่กำลังดับละถึงปัจเนิกะปุคะโอกาสจะขายาตนะมูลกะในร้อยสามสิบเอ็ดอนุ จากขายตนะของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับโสะะตายตนะของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังดับใช่ไหมคำที่ท่านกล่าวว่าของบุคคลใดในภูมิใดเหมือนกับคำที่ท่านกล่าวว่าของบุคคลใด